คำว่าวิปัสนาญาณแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนะคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหมายว่าไม่ผืนความเป็นจริงทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนแบบนี้ก็เพราะว่าคนเราที่เกิดมาในโลกรู้แจ้งเห็นเป็นนึกไว้จริง ไม่ยอมรับความเป็นจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราทุกคนเกิดไปแล้วต้องแก่คําว่าแก่เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดมาหนึ่งวันมันก็แก่หนึ่งวันเกิดสองวันก็แก่สองวันเกิดหนึ่งเดือนก็แก่หนึ 1, ่งเดือนมันแก่ขึ้นทุกวันดังนั้นไมหาความตายกรวมความร่างกายเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทรากลางให้มีการทรงตัว แล้วมีความตายในที่สุด